เห็นได้ก็ตามถ้าเป็น เ, น เ, นเอ็นเกลื่องขึ้นในเด็กของนั้นมันก็ชัดตัวกิเลสนี่ตัวเห็นแก่ตัวตัวรีตตัวไถตัวกดขี่บังคับผู้ใดก็ตามมันเป็นอยู่ในจิตไม่สแสดงอาการออกมาอย่างนั้นก็าตามแต่ภายในจิตมันเป็นความเห็นแก่ตัวอย่างยิ่งภายในจิตเพราะฉะนั้นกิเลสจึงเป็นภัยต่อจิตใจั้งเรามากมายแต่เราไม่มีโอกาสทราบเพราะเรา ม, มีเครื่องทดสอบนึ่งเขาจะ ปกติเขารู้ว่าแหลตรงนั้นธาตอยู่ตรงนี้เขามีเครื่องทดสอบเครื่องตรวจเครื่องอะไร ừ, เขาก็รู้ก็เห็นในกิเลสภายในหัวใจของเรานี้ไม่มีเครื่องทดสอบถ้าไม่ใช่ธรรมเท่านั้นไม่มีอะไรที่จะทดสอบกิเลสประเภทต่างๆได้เพราะฉะนั้นโลกที่มีความเดือดร้อนเพราะมันโดยไม่รู้ว่าสิ่งล่านี้เป็นภัยแก่ตัวเอง เพราะไม่มีธรรเป็นเรื่องทดสอบเมื่อเป็นเช่นนั้นจะไม่เห็นความประเสริฐคำว่าพระพุทธเจ้าได้อย่างไรพระพุทธเจ้าก็อยู่ในอํานาจของมันกดขี่บังคับเผารุมาทัศน์เท่าไหร่ในภายนจิตใจของพระองค์แต่เมื่อเด่สะสะสะนสอดส่องราธรรมคือมีคุณธรรมพอทุกคนนั่งออกจะสอดส่องอยงไารรทาง เริ่มเห็นโทษของกิเลสมาตั้งแต่เริ่มความเกิดแจจเกิตายมันเป็นของคู่กันเหนว่านะ น, นั่นมาค้นอย่างนั้นก็ป็นหกปีแทบจะเอาชีวิตไปไม่รอดจึงนี่โด้สพพบเห็นธรรมมันเป็นที่ปึงใจนั้นเห็นโทษกิเลสอย่างเต็มพระทยัย เช่นเดียวกับเห็นคุณค่าของธรรมเต็มพระทยผลนําอันนั้นนะ่ะทีนี่นำทั้งโทษทั้งคุณออกมาแสดงให้โลกทั้งหลายได้ทราบโทษของความโลภความโกรธ ค, ความหลงเป็นต้นซึ่งเป็นหลักใหญ่ของจิเหลดทั้งมวล น, นั้นมันให้โทษแก่สัตว์มากน้อยเพียงไรแต่พ่ออย่างที่พานายจิตใจของสัตว์ มีอยู่เป็นประจำการเปลี่ยนพบเปลี่ยนชาติอันเป็นสิ่งเคลือบแฝงเข้ามาเกี่ยวข้องกันนั้นมีเป็นพักๆเป็นตอนๆส่วนกิเลสกับใจนั้นไม่เคยมีการแยกจากกันเลยตลอดทงในทรงชาติอย่างชาัดเจนนล่นจึงนำออกสังสอนสัตว์นั้นจนว่าจิตเท่านั้นที่จะสามารถ ทราบความหนักเบาในตางคุณค่าและทางโทษระหว่างกิเลสกับธรรมว่าต่างกันอย่างไรเพราจิตเป็นผู้สัมผัสทั้งสองอย่างนี้คือฝ่ายกิเลสอันเป็นโทษเป็นพิษเป็นภัยและธรรมเป็นธรรมชาติที่ให้ความสุขเป็นลำดับตามกำลังของธรรมที่มีมากน้อยภายในใจเมือรรม่อทำ เมื่อใจได้สัมผัสกับธรรมแล้วยอ่อมจะทราบคุณค่าเข้าไปโดยลังเลและมีความขยันหมั่นเพียรเพราะเหตุว่าผิดสัมผัสกับธรรมเพิามากน้อยที่เลือก็เริ่มสงบตัวเข้าไปไม่ค่อยเพี้ยนผ่านตามอารมณ์ของตนเหมือนอย่างแต่ก่อนเพราะมีสิ่งหักห้ามมีสิ่งต้านทานได้แต่ธรรมที่ อยู่ในใจดวงเดียวนั้นแต่ใจดวงนั้นได้สัมผัสทั้งสองรถด้วยกันแล้วรถที่ดีจึงเป็นเอกให้ติดใจแล้วนำความดีอันนั้นมาเป็นเครื่องต้านทานยทธทดสอบกับกิเรประเภทต่างๆโดยลำดับลำดับไปมีสติปัญญานั่นแหละเป็นสำคาัญที่จะทดสอบแยกแยะกำจัดกันออกได้โดยลาดับ มีแต่จิตล้วนๆไม่มีอะไรเจือปบบนเลยจะไม่มีอะไรอ่อนนิ่มยิ่งกว่าจิตอ่อนโยนยิ่งกว่าจิตกิริยาอาการทางภายนอกจะแสดงอะไรอย่างไรก็าตามนั่นเป็นเพียงนิสัยที่เป็นกิริยาแต่ภายในจิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆแล้วนั้นเป็นจิตที่อ่อนโยนมากไม่มีอะไรเทียบในโลกสมมุตินี้ ความเห็นแกตัวมันก็หมดอะไรๆขึ้นคือว่าออกมาจากเรื่องของกิเลสแล้วมันหมดไปโดยประการทั้งปวงนี่ยมันต่างกันที่ตรงนี้นั้นเราจึงได้เห็นเรื่องของกิเลสเมื่อมันมีอยู่ในใจมากน้อยแล้วความเห็นแกตัวความสงวนตัวก็คือสงวนตัวกิเลสนั่นเองไม่ใช่สงวนอะไรนะมันมีอยู่เป็นประจำนอกจากไม่แสดงออกมาเท่านั้น มีมากมีน้อยตามกําลังของมันเพราะฉะนั้นโลกจึงต้องมีการเบียดเบียนกดขี่ข่มเหงซึ่งกันและกันตลอดถึงสัตว์เลี้ยฉานเราก็เห็นอยู่แล้วตัวไห น, นมนีอำนาจมากก็ได้กินมากเด็กเพ่นเพ่นพันๆไปที่ไหนก็ได้ตามสะดวกสบายตัวที่มีกําลังมากก็ต้องหมอบการอยู่ตามป่าตามโลกอางนั้นเขากินอิ่มแล้วถ้าเหลือกินเขาถึงจะได้กินเหมืนอนยังอาหารที่เราให้สัตว์นี้ ตัวนันเยี่ยมนานมากก็มา ก, กินแซะก่อนตัวนั้นเยียมนาดน้อยก็ได้กินทีหลังถ้ายังมีเสียษมีเหลืออยู่บ้างหากไม่เสศษเหลือแล้วก็ยอมทนจนมาทาั่งอดตายไปไม่ได้กินเพราะไม่มีเวลาจะได้กินมีมาเท่าไรแก็ตัวเยี่มนาดกินไปหมดตาอาหารไม่เพียงพอมีแต่ตัวเยี่ยมนาดมา ก, กินนี่เราเห็นได้อย่างชัดๆันนีสัยของสัตว์มันออกมาจากไหนถ้าไม่จะออกมาจากตัวพิริ ซึ่งเป็นเหมือนกันกันกบยูนในใจของมนุษย์เ่านี้แล้วมันให้ความสบายแก่ผู้อื่นได้อย่างไรทำให้เขาก็เพื่อเราอยู่นั่นแหละไม่ได้เพื่อด้วยเพื่อความเมตตาแท้ๆเมื่อเพื่อความสุขแก่คนอื่นด้วยความรู้สึกใจอะไรเลยหากไม่มีทำเป็นเครื่องทดสอบเป็นเครื่องเทียบเทียงกันแล้วเราก็ไม่ทราบ ว, ว่าอันนี้เป็นอย่างไรเหมือนกัน เรื่องของเจเดกนี้เมื่อมีพังเข้าทศเป็นเครื่องเทียบเคียงกันแล้วไม่บอกมันก็รู้เองเพราะจิตเป็นผู้รับภาระแบบถามที่เดกประเภทต่างๆมาทับเท่าไหร่แล้วหรือว่าเป็นภาชนะอันโกปุกของที่เดกนี่มานานเท่าไหร่แล้วก็มากลายเป็นภาชนะสําหรับรับธรรมซึ่งเป็นของศาสตร์จะดีดีเยี่ยมอยู่ภายในจิตดวงเดียวเหตุได้จึงไม่สร้างได้ทั้งสองอย่างซึ่งเราเป็น ผ mm, e ู mail, of, hmm. you know, mm ้ส hmm. mm ัมผัสสัมพันธ์ก็เองนั่นนี่ล้าใหญ่อยู่ที่ตรงนี้มีพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนสันโลกซึ่งไม่มีอะไรขึ้นชั่วโลกาิมษแม่นิดหนึ่งจะเข้ารปติดในประไทยทรงสั่งสอนแต่ลำบากลำบนขนาดไหนด้วยพระอํานาจพระเมตตาล้นวนเท่านั้นประทานทำไว้ก็เหมือนกันพอพูดถึงกันนี่ก่อ มีคนหลายคนก็มีมาถา ม, มเรื่องเพื่อนุนเขาไม่อยากเห็นเราเห็นเราอ่านหนังสือธรรมะเพราว่าอ่านทำไมเราไม่ปฏิบัติจะเกิดผลประโยชน์อะไรเราก็คัดรู้สึกว่าค้านอยู่ในใจคัดค้านอยู่ในใจถามไม่กล้าพูด เราก็ถามมากับเป็เราว่าการอ่านห น, นังสือธรรมะนี่เป็นอย่างไรบ้างมีผลประโยชน์อย่างไรบ้างเราก็บอกว่าเราไม่ตอบนักปราชญ์หรือจอมปราชญ์ทั้งหลายเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วท่านอุตสาหากันจุดจาริกพระกายปีดกไว้ให้พวกเราทั้งหลายได้ ได้ทุกษาเราเรียนได้ยินได้ฟังมาตัวธรรมจังหวัดนี้ท่านมีความหมายอย่างไรอันนี้เป็นการตอบได้ดียิ่งกว่าเราจะตอบเชื่อเองเราบอกอย่างนั้นนั่นคนภูมโงูมันก็โงูขนาด น, นั้นเราได้กราบว่า้พระพุทธเจ้าเมาาสสาาาื่อไหร่พระสงฆ์ชาวอัลลาห์หารท่านครั้งนั้นเราได้กราบเมื่ไรแต่เราก็เห็น เรื่องราวของท่านอยู่ในหนังสือเช่นพวกเราได้นับถือพุทธศาสนาอยู่ทุกวันนี้และนับถือต่ อ, อพระพรักของพระพุทธเจ้าเหรออืมมั น, นได้จากพระโอาวาทที่ได้บจบการเลือกไว้วนี่แหละเป็นองค์แทนศา ส, าสดาซึ่งเป็นเหมือนกันกับขังพุทธกาลเรื่องแนวทางในการปฏิบัติตลอดถึงผลที่จะถึงได้ครับก็ไม่มีอะไรแตกต่างกัน คุณค่าของการอ่านหนังสือการฟังมีมากขนาดไหนถึงขนาดนั้นเดียวแต่คนที่ไม่คิดมันก็ไม่รู้อันนังที่พิมพ์หนังสือแจกกันเรื่อยๆที่เป็นสาระสำคัญสำคัญมันเข้าซึ่งถึงใจคนก็เพราะได้ยินได้ฟังได้อ่านได้เห็นนั่นเองการปฏิบัติธรรม เราพุดแล้วฝุดเราฝุดย้ำอยู่เสมอเรื่องของสติปัญญาให้นำมาใช้ทุกแง่ทุกมุมไม่ว่าจิตนอบ ก, การใหม่อันนี้สำคัญมากในเห็นคุณค่ามากเต็มหัวใจจึงต้องได้ยกขึ้นอยู่เสมอแม้แต่ขันสมาธิถ้าไม่มีสติให้ปัญญารอบตัวอยู่ด้วย มันก็เป็นมีทางให้เสียได้เหมือนกันถ้ามีปัญญาพินิษ์พิจารณาความผิดถูกเพื่อดีต่างๆมันก็ไม่ค่อยผาดโ ผ, น, ผนคนเราย่อมมีการค่อยคุรเป็นเบรคเรื่องห้ามล้อไว้ไม่ให้ผาดโ ผ, น, ผนเกินไปติตเป็นของสำคัญที่รับกับงานให้พป็นกําห น, นดไว้เสมอไม่ว่าจิต น, นอกกลางใน มีสติมีปัญญาพิจารณาขาดอันนี้แล้วเขาไม่เป็นประโยชน์อะไรยิ่งถึงเวลาที่จะสติปัญญาจะเป็นของสำคัญมากเท่าไหร่นั้นเรายินจะเห็นคุณค่าของสติปัญญาที่ได้มาจากการพยายามฝึกฝนอบรมส่งเสริมสติปัญญามาตั้งแต่เบื้องต้นอยู่ๆจะให้เกิดปัญญาขึ้นมาไม่เกิดนะ อย่าว่าไม่บอกปัญญาต้องอาศัยการคิดการค้นหาเงียเหตุผลต่างๆทั้งภายนอกภายในเมื่อคิดไปหลายครั้งหลาผลผลปรากฏขึ้นมาแล้วก็เป็นเหตุให้ดูดดื่มทางหน้านจิตใจแล้วพอใจที่จะพิจารณาไปเรื่อยๆจนกลายเป็นปัญญาที่แตกแขนงไปไม่มีสิ้นสุดสติก็ตามมันไปเรื่อยๆสติเป็นนายอันหนึ่งของกันควบคุมงาน ที่เป็นสำคัญอยู่มากผมอยากเห็นดักและยินหมู่เพื่อนที่ได้สอนแทบล่มแทบตายมาโดยลำหนักตั้งแต่ออกมาเกี่ยวข้องกับหมู่เพื่อนอยากหนีรู้ได้เห็นหมู่เพื่อนในรับผลประโยชน์จากการแสดงธรรมนี้เป็นอย่างไรบ้างด้วยความเพียรของตนอันนี้ต้องการมาก ทังนี้นอยากให้ทุกทุกท่านในพยายามมอบชีวิตจิตใจลงในหน้าที่การงานอันนี้โดยไม่เสียดายฝ่ฝันกับสิ่งใดทั้งนั้นบรรดาที่ดีอยู่ในโลกนี้ซึ่งเวลานี้เราก็จากสิ่งนั้นมาแล้วเพื่อทำโดยลำดับเท่านั้นไม่ได้เพื่ออื่ น, นใดบำเพ็ญเต็มเม็ดเต็มหน่วย เรื่องจิตที่มันหลอกตัวเองนั่นแหละมันสําคัญให้อยู่นิ่งๆมันอยู่ไม่ได้เมื่อมันอยู่นิ่งมัไม่ได้ให้มันอยู่กับธรรมอย่าให้มันออกไปอยู่กับโลกซึ่งเป็นเครื่องอกรอบกลัวกิเลสเข้ามาเพิ่มพูนตัวเองให้มากขึ้นให้อยู่กับธรรมอย่าอยู่กับคําบริกรรมอยู่กับการพิิพจิจารณามีสติคอยควบคุมอยู่เสมอใหทราบเสียว่านักจิตของเรากําลังเป็นนักโพษอยู่แลนี้ ไม่ควบคุมไม่ได้มันจะเป็นนักโทษสองชั้นสามชั้นไปแล้วนักโทษในเรือนจําออกไปทํางานก็ต้องมีนายคุมอยู่ในเรือนจำยังต้องมีนายคุมไม่งั้นมันจะไปก่อโทษอีกจังมากมายจิตใจของเรามันก็เป็นนักโทษอยู่แล้วมีแต่โทษกกรรมเต็มไปหมดภายใจิตใจคิดออไปนี่อะไมีแต่คิดเรื่องโทษทั้งนั้นถ้าไม่มีสติเป็นเครื่องกํากับไม่มีปัญญาพิจารณาทดสอบ สกัดลัดกั้นกันด้วยเหตุด้วยผลแล้วกิตนี้จะไม่มีสถานีจอดแล้วเพราะรกิเลสหาฝั่งหาแดนไม่ได้ตั้นจ่าไว้แล้วไม่ใช่หรือว่านัตติตันหาสมานาทีในน้ําเสมอด้วยตันหานี้ไม่มีทั น, นตันหาคืออะไรก็คือความหิวโหยความอยากอยากรู้อยากเห็นอยากคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้กี่ร้อยกี่พัน กี่พันครั้งคิดแล้วคิดเล่าก็ไม่เคยอิ่มพอในความคิดในความปรุงแล้วไม่เคยอิ่มพอในความหลงเนความผิดทุ่งตนด้วยมันมีขอบเขตเมื่อไหร่ตรงที่เลยเพราะฉะนั้นเมื่อมันได้เขา้าควบคุมกินแล้วทั้งมีสติปัญญาเป็นเครื่องจะกัดลัดกั้นเอาไว้แล้วจะไมีขอบเขตเหตุผลอันใดเลยตเลิดเปิดเปิงหาสาระไม่ได้ทั้งทั้งที่เราก็ว่าเราเป็นนักปฏิบัติ มาฝึกฝนอบรมแต่มันไม่ได้ฝึกฝนถ้ามันมีสติกับปัญญาเป็นเรื่องกำกับอยู่แล้วมันเป็นเรื่องปล่อยตัวปล่อยใจไปตามน้าของตัวเอซึ่งมีกำลังมากอยู่แล้วภายในใจโดยไม่ต้องสงสัยมัน้ากันจิตให้ดีเรื่องอย่างนี้พิจนารณารอบข้างอย่างนี้มันเป็นที่ไว้ใจได้ที่ตรงไหนส ถ, ถานที่ใดไม่มี ป่าช้ามีหรือแ่ดินเยียบยางไปตรงไหนก็มีเจ็บป่าช้าของสัตว์เวียนไปหมดในตัวของเราก็เต็มไปด้วยป่าช้ายังมาหลงกันอย่เพื่นอะไรความเจ็บความค่าได้ป่วยก็รวนได้ตั้งแต่กองทุกข์เป็นเครื่องเตือนให้ทราบว่าโลกนี้หาความสุขไม่ได้อยากเข้าใจว่าโลกนี้จะมีความสุขดังความเสื่อสรรต์ปั้นรอหรือความสําคัญเฉย มันไม่ได้เรื่องทั้งนั้นมันหลอกเจ้าของในีใครนะ่ะมีความสูกในโลกนี้ไม่ว่าคนโงค่คนช้าเราเราไม่ได้ประมาทพูดตามความจริงมันมีได้ด้วยกันทั้งนั้นนิสถาบรรศักส์กสูงต่ำขนาดไหนอย่างบมีสีสุขขนาดไหนมันก็ไม่พ้นที่จะให้กิเลสเกียบย่ทำทําลายจนได้นั่นแ่ะแล้วมันจะเอาความถูกมาจากไหนเมื่ออยู่ใต้อำนาจของกิเลสเพราะกิเลสไม่เคยให คุณแก่ผู้ใดนอกจากให้โทษเนทะ่านั้นโรคนลืมเนื้อลืมตัวลืมเป็นลืมตายจนเจ้าของก็จะตายก็เพราะกิเลสไม่ใช่หรือโกรธก็เหมือนกันตาดำตาแดงเคียดแค้นให้คนใดผู้ใดแล้วฝังอยู่ภายใน จ, จิตใจมันก็เผาอยู่นั้นสมอยู่นั้นตลอดเวลามันเป็นความสุขอนะไอความหลงยิ่งเป็นเรื่องลืกลับ มันแทรกไปด้วยทุกอาการของกิเลสที่ทสแสดงตัวออกมานี่หมาความหลงมันเป็นพื้นอันใหญ่โตมากความโลภความโกรธมันก็เกิดขึ้นมาจากพื้นของกิเลสตัวหลงนี่แหละเราทดสอบให้ดีจะเห็นความแปลกประหลาดอาจารย์ภายในจิตใจไม่เห็นนี่ไม่ปล่อยนะจะสําคัญสิ่งนั้นว่าดีสิ่งนี้ว่าสวยว่างาม นหลอกลอ่อตนเองไปด้วยความเพลิดเพลินแล้วหาหลักเกณฑ์ไม่ได้หาสิ่งที่สนองความต้องการนี้ไม่มีแต่ก็คิดไปแบบลงแรงแลๆแบบนั้นนี่เป็นเรื่องของที่เดดมันหากฎเกณฑ์ไม่ได้หาความแน่นอนไม่ได้แต่ทำและต้องมีเมื่อจิตมีความสงบแล้วย่อมเย็นใจย่อมมีที่ยึดที่เกาะมีฝังฝ่งมีฝาละที่นเริ่มเไย เราจะพิจารณาทางด้านปัญญาก็แยกมันเห็นหมดที่ในตัวของเราทั้งหมดนี้มันมีอะไรมีแต่ ก, กองอันนี้จังทุกขังหน้าตาอาสุภาษสุพังเต็มไปหมดรอบตัวมันมีอะไรที่จะดีจะดีอยู่ที่นี่พอที่ยึดจะถือเอาพิจารณาลงไปจนให้จิตมันอาจถึงขั้นบริสุดมันยิ่งชาร์ตเหมือนจัแบบร่างเนี่ย กระดูกนี่ยหนังหอกระดูกไปไหนมาไหนก็เหมือนกันนะ่ะถ้าเราจะพิจารณาแบบกระดูกก็เป็นกระดูกแต่จาจธรรมดาจิตอันนั้นแล้วก็ไม่ว่าอะไรเสียหนิาหากว่าเรามาจาะนี่ก็เป็นทันทีก็เป็นตามจริงตามขั้นของส ม, มุทุดูในร่างกายตัวเองมันก็คือซากศพผีดิบซากผีดิบยีๆภายนอกภายในเต็มไปหมดเลยซากศพไม่มีอะไรที่ป็นีเว้นของซากศพ พิจารณาอย่างนี้ถ้าว่าพิจารณาเป็นธาตมันก็เหมือนกับธาตทั้งหลายทั่วไปเนี่ยคือมันจริงซะทุกอย่างเมื่อกิจจริงซะอย่างเดียวเท่านั้นมันจริงไปหมดอยู่ธรรมดาก็เหมือนไม่มีอะไรในโลกนี้ความรู้ก็ไม่ยึดเสียนี่มันจะไปยึดอะไรตั้งแต่ความรู้เหมือนก็ไม่ยังไม่ยึดนู้นก็ไม่มีอะไรจะยึดจะยึดอะไรรู้แล้วพิจารณาแล้วเห็นแล้วรอบแล้วทุกอย่างปล่อยมาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่กิจ ก็ยังต้องปล่อยตามความเป็นจริงเหมือนกันคือปัจจุบันก็รู้เท่านั้นนะคือปล่อยอดีตก็รู้เท่าอนาคตก็รู้ทันปัจจุบันก็ไม่ยึดนี่ฉะนันจึงว่าเสมอไม่เอียงโน่นเอียงนี้สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ฝึกได้พระพุทธเจ้าฝึกได้แล้วจึงนํามาฝึกโลกสาวกทั้งหลายท่านฝึกได้แล้วท่านจึงสอนโลกเหมือนกันโดยลําดับลำดาครูบาอาจารย์ทั้งหลาย ท่านปฏิบัติท่านรู้แล้วเห็นแล้วปล่อยแล้วฝึกได้เรียบร้อยแล้วถึงจามาสั่งสอนพวกเรามีที่ยืดแต่ยังปล่อยมาได้ให้ยืดทำยึดไปโดยลำหนับลำนาเช่นเดียวกับเราขึ้นบันไดยืดไปเรื่อยเกาะทำมันถูกต้องแนวทางันถูกต้องไปเรื่อ ย, อยเรื่อยจนกระทั่งถึงที่ถึงฐานแล้วมันห่างหมดปัญหาตักันเองระหว่างบันไดกับเรามมีปัญหา สายทางที่เดินมาก็เหมือนกันเมื่อถึงที่แล้ว้นทางนะั้นมันก็หมดปัญหาไปเองเพราะถึงที่แล้วจำเป็นอะไรจะต้องประกอบไปโกลยบนทางไปกอด บ, บันไดอยู่แต่ตอนที่มันไม่ถึงนี่ต้องเกาะต้องยึดให้ดีให้มีใจเข้มแข็งมีใจเป็นคนจริงจังอย่าทำอะไรอย่าเลาะแหละเละแหล ะ, เ, ละเสียนิสัยสู้กับกิเลกก็ไมไ่เรื่อง ดวงนี้ใสหลอยแหละนี่ไม่ดีทั้งนั้นให้มีเหตุมีผลเป็นเครื่องบังคับตนมันอยากก็ตามถ้าจะไม่เกิดผลเกิดประโยชน์ความอย่างนี่คือตัวกิเลสให้ทราบทันทีไม่อยากก็ตามแต่ถ้าทําลงไปแล้วเป็นธรรมอันนี้ก็ต้องทำเหมือนอย่างเราบําเพ็ญธรรมมันยังไม่เห็นเหตุเห็นผลอะไรเลยมันต้องขี้เกียจไม่อยากทําแต่เมื่อเห็นผลแล้วก็มี ความขยันมันเปียขึ้นเพราะผลนั้นเป็นเครื่องดึงดูดอิจาาให้พอใจในการที่จะกทําการเริ่มต้นนี่สําคัญอุบาจาร์ทั้งตั้งหลายตั้งก็เคยผ่านมาอย่างเราเนี่ยล้มลุกขานตั้งแล้วล้มไปตั้งแล้วล้มไปอย่างนี้แต่พยายามตั้งหลายครั้งหนอหนก็ตั้งได้เหมือนเด็กหัดตั้งไข่นั่นแหละตั้งไฟตั้งน้ำก็นั่งได้ยืนได้เดินได้ ต่อไปก็เหมือนกับเราธรรมดาไปหมดเพราะความฝึกความหัดทกักน์กำลังมีขึ้นทุกวันทัศกําลังวางฉาเข้ามาฝึกอยู่เสมอนี่ทําความพยายามอย่างนั้นเอาให้จริงให้จางเรียนไม่มากอะไรไม่หยุดเพียงร่างกายอันเดียว น, นี้ทําไมเรียนไม่จบคอนทำมันเห็นมันจบเพื่อของจริงหนีตรงนี้เรื่องมรรคผลนิพพานอย่าฝาคาที่ไหนหนนอกไปจากตรงที่มันติดมันคล้องนี่ บุกให้เบิกตรงนี้ก็ไปอืจุพะมันไม่เห็นก็คือสุภาษปิดบังมันอยู่นั่นเนี่ยอันนี้จังไม่เห็นก็ความสําคัญว่าแน่หนามันคงปิดบังมันนั้าตาไม่ตากดก็เพราะความสําคัญว่าเราว่าเขาอยู่ในตัวู่ในใจนั่นปิดบังไว้มันก็มีเท่านั้นพิจารณาลงไปตามขั้นตามภูมิของมันมันสวยสุพิจรณาพิ้ง ความสวยงามมันสวยที่ตรงไหนเนี่ยก็เอาสุภาเข้าไปจับไปแก้กันทีเอ า, อาสุภาถ้าเป็นทางโลกนั่นเขาเอาน้ําสะอาด เ, อาเขาเอาของสะอาดน้ําสะอาดไปชำระของสปรกโปรกที่เราพิจารณาธรรมานี่เอาของโปรกโปรกนี่ทํามาช้าล้างของที่เราสําคัญว่ามันสวยงามความสวยงามความจริงมันไม่มีสวยมีงาม มาถากซ้ำขัญขึ้นความน่าีิเลสจึงต้องเอาเรื่องของธรรมเอาของปฏิกูลซึ่งเป็นความจริงนั่นที่โลกทั้งหลายว่าเป็นของปฏิปุลมาชะล้างกันลบล้างกันนั่นก็เป็นธรรมมสะอาดขึ้นมาจะแก้กันหนึ่งนั่นการพิจารณาไม่ใช่พิจารณาทั้งหนึ่งทั้งเดียวพิจารณาเป็นพื้นเป็นกิจเป็นการเป็นงานของเราจริงๆไม่ใช่พิจารณาเพียงทั้งหนึ่งครั้งเดียวแล้วผ่านไปผ่านไปเราไม่ได้พิจารณาเพื่อการนับนั้นนับนี้ แนับเที่ยวนี่พิจารณาเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริง ม, มายัางไม่เห็นเมื่อไหร่ก็ออกจนเห็นของจริงมีอยู่นี่ขุดลงไปจนถึงน้ําน้ําไม่นอกเหนือไปจากดินเนี่ขุดลงไปจะลึกบ้างมันก็มันก็ต้องเจอน้ําจนได้นี่ความจริงลึกบ้างตื้นบ้างขุดลงไปไม่หยุดไม่ถอยก็เจอความจริงได้ภายในจิตใจของเราใจละเอียดมาก แต่ธาตุติดของจำอยามันที่มันสาคัญเราให้จริงให้จัิงทางหน้าทางๆประกอบความพาคเพียรให้ใช้สติปัญญาพิจารณาตัวเองในบางสิ่งบางอย่างครูบาอาจารย์ท่านคอมมนเนี้ยไม่บอกเพราะเป็นเรื่องอภิ a y a ัยเป็นเรื่องตัวเองจะพิจารณาเองนั่งอย่างทม่ต้องสอนนะพิจารณาตัวเอง ไมารู้วิธีสังเกตตัวเองในการประกอบความภาคเปลียนกินดื่ม ต, ต่างๆตลอดถึงการหลับนอนแล้วก็ไม่มีทางจะทราบความละเอียดของทำไปได้เดิมดับนะต้องใช้ความสังเกตเสมอชันมากเป็นยังไงน่ะชันน้อยเป็นยังไงนอนมากนอนน้อยเป็นยังไงเดินมาก เดินน้อยเป็นอยังไงสังเกตด้วยทั้งๆที่มีสติเป็นองค์ประกอบความเพียนอย่างนั้นเลยแต่มันยังมีความสะดวกตามเปดีนิสัยต่างกันในท่าต่างๆนี่ก็ให้ชิดนอนมากนอนน้อยเป็นยังไงในขณะผมนี่นอนรู้สึกว่าไ ม, ไ ม, ไม่ค่อยได้ไประโยชอดนอนธรรมดาผมรู้เจ้าของจึงไม่ได้อดธรรมดานั่งเดินตรงกรมนั่งชมยิ่งภานา เลื่อยไปสามอย่าบวชตลอดดุงนี้ผมก็เคยทําไม่ได้เรื่องหัวทื่อเหมือนก็ว่าสมองทื่ออันนี้มันมันเป็นงงๆชอบกดบวชนอนนีไม่ได้เรื่องสําหรับเราไม่ถูกัต้องผันหันไปทางผ่อนอาหารอะดีโอาาดีเลยไปเรื่อยๆแต่การอดอาหารเนี่ยครับกดไปมากนักปิติกันไปมันก็ไม่ดีนะธาตุขัน มันทำให้ท้องเสียได้นี่ก็เคยเป็นแ้วจนไี่เตือนหมูเพื่อนเสมอเพราะนี่ทำมาซะจนจนรู้เรื่องของท้องมันทำเป็นประจำมาเลยไม่ทราบปีปีเลยเรื่อยมาอย่างนั้นออกจากหมูจากเพื่อนไปมีปแต่เรื่องอันเดียวกันนี่ีวันแขนก็ช่างมันหายไปเรื่อยก็เห็นว่ามันดีแต่พันนานพนานไป ทันว่าเท่าไรมันไม่ย่อยเลยทายเอาหมดทายเอาหมดงั่นย่งได้แค่เพียงที่หกพันษาหยุดนั่นก็มันนั่นนะเพราะอด ท, ที่ได้เป็นทุกทีนหละหามันหักมันทำให้เพลินให้อดพออดแนีวมันช่วยความเพียรได้ดีคล่องตัวยิ่งปัญญาตโนมัติด้วยแล้วโอ้โหมันยิ่งคล่องพอ อุตหารลงไปนี่มันคลั่งตัวเพราะปัญญาชนม์สติปัญญาชนมมัดนมันมีแต่หมุนติ้วอยู่ที่กลางเนี่ยถึงถึงขนาดขั้นนั้นมันยังต้องเกี่ยวกับธาตุอยู่เหมือนกันค่อนข้งที่มันเป็นไปโดยลําพังตัวเองแต่ความสะดวกความไม่สะดวกมันยังมีต่างกันเราเห็นได้ชัดเลยใั้นที่ อดทีไรพอมาฉันท่ายหมดระยะว่างปั้นตั้งปั้นาสิบสิบหกสิบห้าไปถึงสหกนี่ไม่ค่อยอดหลายวันหน้าหละสามวันสีวันเท่านั้นก็ฉันมันก็ถ่ายจนได้น่ะเบื่อมันไปยเราเรามาฉันเนี่ยตรงหลายหายวันมันก็ยังถ่ายของมันอยู่เรื่อยแต่เราไม่ค่อยจะสนใจกับเรื่องธานหลั้ขันยิ่งกว่าทำเพราะฉะนั้นธาตุขันมันถึงได้ เสียแต่นั่นแต่เราก็ไม่เสียดาหากเป็นการเตือนให้หเพื่อนรู้ไว้ในเรื่องแบบนี้การอดนอนอิยาในะยาบทสามไม่ดีสำหรับผมเองถ้าอดนอนให้แบบนั้นแหละแบบที่ว่าอยาบทเดียวนั่งเลยอันนี้ไม่มีพลาดนี่ไม่เคยปรากฏว่าคืนไหนได้พลาดจากความบริกรรมภางใน ป, ปิจไปเมื่อเวลาเข้าสู่สงครามตะลุมบอลกันอย่าง เป็นที่เต็นฐานเอาชีวิตเขาแหลต่อสู้กับทุกเวทนาที่มันเกิดขึ้นมาอย่างสังหารในขนาดที่นั่งนานๆตัดติปัญญาไม่ก็ช่วยตัวเองในขนาดนั้นเพราะไม่มีที่พึ่งแล้วเนี่อยจะไปพึ่งเวลาเวลาก็จนกระทั่งพวงนี้เช้าถึงจะได้ลุกอือก็เวลานี้เราไม่ได้ทํามาพึ่งเวลานี่นะเราทําเพื่อพึ่งธรรมเราจะไปหาเอาสิ่งนั้นมาเป็นที่พึ่งมันใช้ไม่ได้เลย ปัญญาก็หมุนติ้วเมื่อจ น, นกรอกจนมูมันไม่มีที่ไปแล้วมันก็ต้องช่วยตัวเองทุกเวทนาเกิดขึ้นมากเท่าไหร่มันยิ่งแย่ยิ่งแย่ยิ่งหมุนติ้วติ้วติ้วไม่ละไม่ถอยเป็นก็เป็นตายก็ตายหมุนอยู่นั่นสุดท้ายมันก็รู้สิจนได้ลงสิจนได้ถึงฐานทุกข์คืนเนี่ย มันจะเพียงว่าได้มากน้อยต่างกันคืนที่มันสะดวกเลยอย่างนี้นก็ประมาณสามสี่ทุ่มมาแล้วได้แล้วนะได้เป็นลงเป็นครั้งหนึ่งไปแล้วนะประจันนั้นมันก็ลงของมันเลื่อยถอนนี้มาเลื่อยลงเลยนี่เดียวสะดวกบางคืนตั้งเที่ยงคืนยังเอาลงกันแล้วได้เลยก็มี น, นั่นแหะเดียว่าทุกข์มากที่สุดโอ้แง่ขานี่มันตายไปเลยไม่รู้เรื่อง รู้ความสัมผันความเพียงเวลาเท่ากันแต่ความบอบช้า ม, มันก็ต่างกันถ้าจิตไม่ดีถ้าจิตพิจารณาไม่ทันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในตัวเองถ้าจิตพิจารณาทันนะก็ธรรมดาธรรมดาถึงเวลาแนละ้วลุกออกไปเฉยๆไม่เห็นมีความทุกข์ ลำบากอะไรจรึงทำให้ชื่นแน่ลงไปเดินดับอีดเป็นสำคัญน่ะในยิ่งเวลาจิตเข้าสู่ทั้งที่จิตนั้นมันก็มีกิเลสทั้งมันน่ะแล้วมันปล่อยอะไรจะทั้งหมดเลยในขณะนั้นเหลือแต่ความรู้ด้วนจนกระทั่งร่างกายก็หายหมดจริงๆน่ะเวลามันมันเข้าถึงขั้นความสงบของมันเต็มที่ในขั้นหัวสมาธิโดยที่อาศัยตัญญาเป็นเครื่อง ทำให้สงบให้รวมตัวอย่างนั้นมันลงด้วยปัญญานะที่คิดว่าปัญญาลยสมาธิหมายอย่างนี้เองถ้าลงจะลงถึงฐานขนาดนั้นผมไม่เคยลงด้วยสมาธิธรรมดาลงด้วยปัญญาทั้งนั้นฟาดฟันหันแหลกกันหนึ่งจนไม่มีที่ติดต่อกันแล้วมันขาดสะบั้นกันลงไปเลยที่นี่เหลืองแต่วความสากักแต่ว่านั่นฟังคือพูดอะไรอีกไม่ได้นะ นี่ศักแต่ว่าเพรานั้นแต่ความอัศจรรย์นั้นเกินคาดเกินหมายนั่นถ้าลงได้ไปอยู่ตรงนั้นแล้วที่นี่มันก็ทําให้เชื่อถึงเรื่องพระพุทธเจ้าลแล้วก็สะอาดพระประเัติ พ, พุทธเจ้าท่านนั่งนิโรธสมาบัติเจ็ดันท่านนึกออกเอไว้เนั่งเท่าไรจะเป็นไรถ้าลงไม่มีการมีสถานที่มี่แล้วถ้าไปเกี่ยวข้องกันแล้วผี่กลับขี่กันแล้วนั่งมือถึงร่างกายจะพังไปมันก็ไม่ได้รับทราบกันนี่นะนั่นมันเชื่ออย่างนั้นนะ รางการมันทนไม่ไหวถึงกลับถึงกันอย่างนั้นมันก็พังมันธรรมชาตินั้นมันก็เป็นธรรมชาติเหนึ่นงนั้นดังที่อะไรพระพุทธเจ้าพระพระเจ้าพุทธเจ้าองค์หนึ่งที่ท่านเข้าโยชนสบาบัติอยู่ที่นางสามมวดีด้วยอ่านบริษัทบริวารไปอาบน้ำแล้วกลับมาหนาวก็เลยมาเผาฟางผิง พอดีพระบัจจุบุทิช่าท่านประทับอยู่ที่นั่นนั่นที่ท่านเขา้าด้วยชาใหม่เงี้ยไฟไหม้ทันพอพอไฟยุบไปเห็นพระบจจุบุทิช่านั่งพากันโดดหนีวันนี้นั่นแหะกรรมที่นาสาวดีถูกนา ม, มากันทีเผาเพราะกรรมมันนี้ว่ามันแล้ท่านก็เห็นเป็นอะไรพระบัจจุบุทเช่าเนี่นนนยคือจิตของท่านไม่ออกมารับภาพถึงเรื่อง อาการภายนอกเลยแม้แต่กิริยาของจิตท่านก็ไม่มีอะไรแสดงพูดไม่ได้ว่างัน้นเราจะพูดอาการอะไรไม่ได้ทั้งนั้นนอกจากหนึ่งอยู่เท่านั้นหนึ่งันั้นมันก็ไม่เหมือนหนึ่งทั้งหลายด้วยนะคือจิตทั้งเราสงบธรนมาดามันก็เป็นหนึ่งแต่อันหนึ่งอันนั้นมันหนึ่งด้วยความแยกแยกออกอะไรจากอะไรหมดก็ทุกสิทุกอย่างแม้แต่ร่างกายไม่ปรากฏในความรู้สึกนั้นเลยกินฝ้าอากาศสถานที่อะไรไม่ปรากฏ น่นหนักตัวอาจารย์แต่มันเป็นได้โดยการด้วยทางดูทางปัญญาเนาะณขอผมเองนั่นแหละที่ว่าได้อาจารยทุกวัน่ะคือได้อย่างนั้นนหละไม่นานก็ตามแต่ก็ได้อย่างนั้นไม่เคยพลาดแม้แต่คืนเดียวบรรณาที่เราเคยนั่งตลอดวุ่นนไม่เคยมีพลาดแม้คืนเดียวที่ไม่เห็นอย่างนั้นหากไม่เห็นอย่านั้นคงจะเสียใจมากเหมือนกันนะดีไม่ดีคืนหลังอาจจะพลาดกันอีก เพาะจิตเรามันเป็นมิสัยหัางยริงมันจริงมันจังอันนี้ได้ชมอย่านี้มันก็ได้ทุกคืนเป็นแต่เพียงว่าได้นาได้ยากลําบากต่างกันเนี่ยปัญญาอุดมสมาธิถึงขั้นหัวเรี่ยวหัววเรี่ยงหัต่อแล้วมันเอากันจริงจริงอย่างจังก็ลงได้อย่างถึงใจค่ะทาให้เกิดความกล้าหาญธรรม ช, ชัยเพราะว่ารุ่อพิจารณาเริ่มภาตก่อน ชัดเจนว่าดินเป็นดินจะแท้น้ําเป็นน้ำจะแท่ลมเป็นลมไฟเป็นไฟจริงๆใจเป็นใจจริงๆอย่างถึงใจอะไรมันตายอะไรมันตายที่งางไปแล้วมไม่มีอะไรตายเอ้ยโกหกกันแน่นี่ความตายมันก็ไม่มีมันไม่กลัวมถึงเวลาจะตาจะ เ, เวทน า, าหน้าไหนมาหลอกเราวะผมไม่ใช่เวทน า, าหน้านี้จะเป็นหน้าไหนนี่เราก็ได้พิจารณาแล้วได้รู้แล้วว่าเป็นความจริงเต็มส่วนแล้ว วันไหวกันที่ไหนจะทุระทานกันที่ไหนกลัวกันที่ไหนไม่มีอะไรกลัวกันนี่แต่ความจริงอยู่ด้วยกันนะเมื่อต่างกันต่างจริงแล้วก็ไม่กลัวกันแล้วก็ไเตือนกันต้องรูดด้ด้วยชาติมีปุถุนความถูกเจดียนิสัยของเรานั่งในยาบทสามคือไม่นอนนี่มันก็ไม่ค่อยได้ประโยชน์สำหรับผม มันไม่ได้อย่างถึงใจเหมือนกำนั่งแบบนี้นั่งแบบอาตายสู้เลยมนะันได้ได้ทุกครั้งเดินจงกรมก็ไม่เคยตลอดรุ่งยังสี่ห้าชั่วโมงอยู่ในย่านห้าชั่วโมงหกชั่วโมงก็ว่าไม่ได้นะ้ำมือถึงจชั้นขันน้ำฟาดมันจะกระทั่งบาดก่อ น, นตอนปัญญาอัตโนมัตินะมันไม่รู้อะไอว่าเดินจงกรมมันช้ามันเร็วหรือ ว, วา เดินนานหรือไม่นานไม่เคยไปสนใจจะว่เรื่องเวลามันหมุนอยู่ติว้วติ้วอยู่ภายในจนิตมันมัน เ, ยเลยไม่ทราบว่ากี่ชั่วโมงเลยกล <c oughs> างวันแสกแสกมันตาแดดเดินดีได้สบายายไม่มีไม่ตากดเพรามันมันร้อนมันอะไรนะมันลืมไปหมดจิตไม่ได้ออกหมุนติวต้วติ้ตาเองก็ฟ้าฟางไปเพราะจิตไม่ออกตาเราเลยฟ้าฟางไปเดินกชนป่าชนสองฟ้าทางไป มันทีก็ยืนซะก่อนทำมออันไปงั้นนั่น น, น, นั น, นเพลินจริงๆถึงขั้นมันเพลินที่เรียกว่าอุทธะคือเพลินจนลืมเนื้อลืมตัวลืมทักก่อนทางด้านสมาธิมันก็เลยพอดีเราก็ไม่ค่อ ย, อย ก, กำหนดเวลาเรลาน่เหมือนกุงไม่ต่ำกว่าหกชั่วโมง <c ười> กลางคืนเราเคยนั่งเวลาทีละสี่ห้าชั่วโมงได้ การวันไม่ได้ตั้งมันด้วยไ่สนใจกับมันนั่นแหละการต่อสู้กิเลสมันไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยไม่ใช่เรื่องง่ายๆทีนี้ทางมันเดินทางเดินมันก็ไปแถวนั้นนี่เราจะเอาความสะดวกสบายเข้าไปว่าเพื่อจะได้อัดได้ทำมาตามความต้องการของเรามันก็ไม่มีทางมันมีทางเดียวเท่านี้นะเป็นก็ยากลําบากขนาดไหนก็สู้ อทางไปตรงนี้นี่นะเฮ้ยนิสายของเราเป็นไงอ่นนิสัยละเอียดมนก็ไม่ยากอย่างทั้งประการตั้งที่มัมีนิสัละเอียดยอย่างตรงผมตรงนั้นน่ะพิจารณาผมแล้วบรรลุธรรมเป็นอรหัตรนต์ตบุคคลึ้นมาแล้วพันพร้อมแล้วอยู่ว่าอุกติเันอยู่เล่าจะอะไรกับมูอุกติเันอยู่วิปปิเตณอยู่ เนยยะคนเราก็ไม่อยากจะพูดแล้วอยากพูดจะปะทะประมะนี่พวกเราพวกปะทะประมามะมันมันเมื่อแต่คิดแต่ด้านหาทางไปทางมาไม่ได้แต่ก็บึกบืนตามกำลังพระเจ้าของอเมื่อปุญจิง ก, ก็เดี๋ยวนเนยย่านเองผู้ที่ควรนำไปได้เนยยะควรพรพุเจ้าควนรนำควรลากควรจุงไปได้ธรรมของพระเจ้า พอลากพอจุงก็ได้และทั้งหลาหวงก็เป็นผู้เป็นคนขึ้นมาไม่เหมือนพปวกปัทัาประมะที่พวกเข้าเป็นคนไข้ต่เข้าห้องไอซีหมดหวังประเภทต่านี้เป็นประเภทหมดหวังไม่มีอะไรที่จะเป็นประโยชน์สาหรับคนคนนั้นเราไม่ใช่ประเภทนั้นก็ต้องต่อสู้ให้จริงให้จังเอาให้เป็นเม็ดเป็มหน่วยวันนี้การพุทปฏิบัติ ผู้ที่จะคอยแนะนําสั่งสอนหรือพาดาเนินก็แคบเข้าแคบไปแคบเข้าไปแคบเข้า ไ, ไปเพราะโลกมันเหยียบย่าทําลายถ้ากันทราบหนึ่งอย่างโลกคือโลกามิตรนั่นแหละมันเหยียบย่ําทําลายมุ่งต้นควาบวชเข้ามาเพื่อสสแสดงหาธรรมขั้นต่อมาก็สแสวงหาลาภจักร้าบบูชาหาเงินหาทอง้ายใหญ่เลยเรื่องธรรมไม่ทราบหายหน้าไปไหนมวิทยาท่าทางความคิดความอ่านต่างความปรุงต่างๆ ที่แสดงออกมาเรื่อนแน่ตั้งแต่เรื่องเป็นโลก ร, รมีก็ทั้งหมดเหยียบย่าทำลายหัวใจยนืเยนเดินนั่งนอนดูกับสิ่งเหล่านี้ความคิดความปรุงเต็มลึกไปด้วยสิ่งเหล่านีน้เหยียบย่ําทําลายตลอดเวลาหาทําที่จะมาสัมผัสสัมพันธ์ดิตใจแม่น้อยหนึ่งมันไม่มีเลยอย่างนี้มีมากอย่างนี้รีบเห็นโทษเสียตั้งแต่วันนี้เรื่องเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเวลานี้และยังจะเป็นมากยิ่งกว่านี้ไปอีกเป็นไม่ไหนวัดแทนที่จะเป็นสถานที่ เฉพาะเสดยงหาทำหน้าที่การงานเป็นไปด้วยอัดด้วยทำมันกลายเป็นเรื่องของโรกเข้ามาเหยียบย่าทำลายภาในวัดภายในพระนินซะเองน่ามาแตกกองไปแล้วอย่างนี้อืมแห้พากันสังเกตให้พากพิจารณาให้รีบตักตวงตัวเองเขียนในการอันควรที่ทําได้สถานที่ก็เหมาะสมอยู่เพื่อนก่อนอยู่ด้วยกันด้วยความผาสุกเป็นกันยาและไม่หยุดทั้งวัดทั้ง ว, งวตางวต่างคนต่างมีใจเป็นอัดเป็นธรรม มันเป็นอนวัยวะนหนึ่งอันเดียวกันด้วยความเป็นธรรมด้วยกันนี่เป็นความสะดวกสำหรับการอยู่แล้วก็เป็นความสะดวกในการประกอบความภาคเพียนเพื่ออัดเพื่อทำทั้งหลายอเรื่องแสลมหูเสลงตานี่มันเป็นเรื่องเป็นธาตุศึกต่อจิตใจเป็นธรรมารมอยู่ภายในจิตใจให้ขุ่นให้คิดให้เกิดความเดือดร้นอนนวลวายเพราะรายนั้นเพราะอะไรนี้พระองค์นั้นพระองค์นี้อย่างนี้มันมีอยู่มาก อ, มอย่าให้มันมีภายใน เราผู้ปฏิบัติทั้งหลายต่างคนต่างมีใจมุ่งต่อธรรมแล้วพูดกันรู้เรื่องงอ่ายๆเรื่องทิฏฐิมานะเรื่องความถือเนื้อถือตัว ถ, ถือสูงถือต่ำถือความรู้ความฉลาดจะอันเป็นเรื่องของสมมุนทีโยมหรือเป็นเรื่องของกิเลสเกิดสันมานั้นอย่าให้มันเข้ามาเหยียบย่ทำทาลายธรรมคือความจริงเลยให้ถือความจริงเป็นหลักเป็นเกียงผู้ใดทําถูกยอมกกรับกันทันทีนั่นคือนักธรรมะอ ει, อน่ะแล้ตังนนี้ให้จำปัญญาอธิบายหมวกเพื่อนกัน